ตอนที่สิบสาต่อให้ต้องตายพัดในมือแหลมคมดุดใบมีดฟันลงมาจนไม้ไผ่ขาดเป็นสองท่อนเยี่ยยอาถูกบีบจนถอยไปติด ก, กาแพงไร้ทางหนีนางหลับตาลงด้วยความสิ้นหวังอุดซา์ได้กลับมาเกิดใหม่อีกครานี่นางต้องมาตายที่นี่แล้วหรือเสียงดังปังสนันวันไหวแต่ความเจ็บปวดที่คาดไว้กลับไม่มาถึงเยี่ยเยลืมตาขึ้นเห็นบัณฑิตผู้นั้นถูกเตะจนกระเด็นไปกระแทกกาแพงพังไปครึ่งแถบเบื้องหน้าของนางปรากฏสตรีผู้หนึ่งที่มีท่าทางองอาจผ่าเผย องคครักตามสมทบบัณฑิตเห็นถ้าไม่ดีจึงกระโดดขึ้นหลังคาหายลับไปในพืชตาโดยไร้ร่องรอยยาวๆจะไม่เป็นไรใช่ไหมเยี่ยยวตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนจะจำคนตรงหน้าได้ขอบตาผันแดงก่ำแล้วร้องให้ออกมาเสียงดังพี่สะพ้ายขานึกว่าข้าจะตายเสียแล้วสตรีตรงหน้าคือจะวิ่งซื่อเวียพี่สะพ้ยที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของเยี่ยวนางมาจากตระกูลขุนพลหลังจากบิดาสิ้นชีพในสนามรบก็นางแต่งงานกับเยี่ยวหัว นางรักใครเอ็นดูเยี่ยยราวกับน้องสาวแท้แท้คำว่าพี่สะพายค่า น, นี้ทำเอาหัวใจของนางแท้สลายไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วมีพี่สะพายอยู่ที่นี่ใครก็อย่าหวังจะแตะต้องเยี่ยยของข้าได้แม้แต่ปลายก้อยหลินเซินถูกเสี่ยชิงจือพามาที่นี่เมื่อเห็นภาพนี้เขาก็อดรู้สึกผิดไม่ได้เขารับปากเป็นมั่นเหมาะแต่กลับปกป้องเย่อยยไม่ได้พี่สะพายเห็นเขาเข้ากระดากราดทันทีเสื้อจื่อช่างลําเอียงเสียจริง น้องสาวตระกูลตัวเองประดุดไข่มุกในอุ้ง ม, มือส่วนยาวๆของพวกเราอย่างไรก็เป็นว่าที่พระชายาของท่านท่านกลับไม่สนความเป็นความตายเลยหรือหลินเซินมองเสี่ยชิงจือที่กอดแขนเขาอยู่จนพูดไม่ออกได้แต่กล่าวขอโทษเป็นเปิดซื้อจืดที่ปกป้องไม่ดีเองทําให้ยาวๆต้องตกใจมิสู้ไปที่จวน อ, องก่อนให้หมอหลวงตรวจดูอาการสัตว์หน่อยเย่ยเยาไม่อยากไปจวนอองนางรีพระออกจากอ้อมกอดของที่สะพาย ที่สไพย์ค่าไม่เป็นไรท่านกลับมากระทันหันเช่นนี้คงต้องไปรายงานท่านพ่อกับพี่ชายก่อนที่สไพยพยักหน้าแล้วถลึงตาใส่ลิงเซินอีกรอบก่อนจะเรียกเจียนเจียกับไปลู่ให้คุ้มครองเย่เยเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองลิ้นเซินขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจในฐานะซื้อจื่ออองซินผู้ไ ก, กล่เกลี่ยกลับปกป้องแม้แต่ว่าที่ประชายาไม่ได้เชียวหรือไอ้สายรับสารเลวนั่นใครก็ได้ องคร์ร ก, ก้าวเข้ามาหลินเซินโยนภาพวาดสองใบที่เย่เย่ามอบให้ไปให้ให้ที่ทําการผู้ว่านครหลวงปิดประกาศตั้งรางวัล น, นําจับค้นหาให้ทั่วเมืองต้องจับตัวมันมาให้ได้ขอรับเมื่อหันกลับมาเยี่เย่าก็ขึ้นรถมาของจวินซื้อเสเวียไปแล้วเสี้อชิงจือกระตุกแขนเสื้อเขาที่เซินวันนี้ต้องขอบคุณพี่เยี่ยวันหน้าพวกเราเตรียมของขวัญไปขอบคุณนางที่จวนเถิดเจ้าคะ่ะนางเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลินเซินฟังโดยจงใจเน้นย้ําว่า พี่เย่ยช่างฉลาดนักใช้ค่าเป็นตัวประกันข่มขู่แถมยิงขู่ว่าจะกรีดหน้าค่าให้เสียโฉมทําเอาค่าตกใจแทบแย่เลยเจ้าข้าลินเซินไม่ได้ถูกชักจูงไปตามคําพูดนั้นเขากลับยกยิ้มที่มุมปากว่าที่พระชายาที่ฉลาดหลักแหลมและไหวพริบดีเช่นนี้นับว่าโชคดีที่เขาแย่งชิงมาจากฉู่ชื้อได้ก่อนเก้าหนึ่งเย่ยังมีรอยทะลอกและรอยขีดข่วนตามตัวพี่สะพายกับสาวใช้ทั้งสองช่วยกันตรวจหาบาดแผลและทานยาให้นางพี่สะพายยิ่งมองก็ยิ่งปวดใจ ข้าได้ยินข่าวเรื่องราชาองการพระราชท า, านสมรสจากฝ่าบาทก็รู้ทันทีว่าต้องเกิดเรื่องจึงรีบเร่งเดินทางกลับมาการกลับบ้านเกิดครั้งนี้คือนำไปช่วยงานแต่งงานของน้องสาวคนสนิทพอได้ยินเรื่องสมรสพระราชท า, านก็รีบกลับมาทันทีระหว่างทางยังพบกับคนที่เยี่ยหัวส่งไปแจ้งข่าวด้วยชาวตันตีนั้นเจ้าเล่ในสนามรบพวกมันสู้ทันพ่อพี่ชายของเจ้าและสิ้นอ๋องไม่ได้ยอมต้องส่งสายลับมาขโมยความลับทางการทหารเป็นธรรมดา พอมีราชองการสมรสพระราชทานเจ้าที่เป็นทั้งแก้วตาดวงใจของจวนกัวกงแล้วว่าที่ลูกสะพ้ยของจวนซิ่นอ๋องหากพวกมันไม่พุ่งเป้ามาที่เจ้าแล้วจะไปหาใครเยี่ยยวคาดไม่ถึงเลยว่าพี่สะพ้ยจะเป็นคนแรกที่เข้าใจสถานการณ์ของนางชาติก่อนราชองการสมรสพระราชทานมาอย่างกะทันหันพี่สะพ้ายกลับมาไม่ทันหากตอนนั้นมีพี่สะพ้ยอยู่นางคงไม่ถูกสายลับลักพาตัวไป แล้วเรื่องราวที่ครอบครัวต้องพินาศยับและถูกใส่ร้ายป้ายสีจนตายทั้งตระกูลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อราชาองค์การสมรสพระราชาทานลงมาแล้วงานแต่งนี้คงเลี่ยงยากแต่ในเมืองเล่าลือกันว่าซื่อจื่อเป็นหมันยาวๆเจ้าแต่งออกไปคงต้องลำบากใจแย่วันนี้เห็นซื่อจื่ออองซิ่นในสายตามีแต่เสี้ยชิงจือลูกพี่ลูกน้องของเขานี้ไม่ใช่คู่ครองที่ดีเลยจริงๆ นีเพียงที่สภายที่เป็นสตรีเหมือนกันเท่านั้นที่คิดเผยเย้ยเยาถึงเพียงนี้เย้ยารู้สึกจมูกเปรี้ยวปลาเล็กน้อยแต่นางกลับยิ้มออกมาที่สภัยท่านดีต่อข้าจริงๆพี่สภัยคอนขอบใส่นางเวลานี้เจ้ายังมีแก่ใจมาอ้อนอีกหรือเสี่ยชิงจือผู้นั้นได้ใจคนทั้งจวนอองไปหมดแล้วทั้งว่าที่สามีพ่อสามีแม่สามีต่างก็เข้าข้างนางเจ้าต้องลําบากแน่ คำพูดเหล่านี้ไม่ผิดเพี้ยนไปจากชาติก่อนเลยหลังจากสิ้นอองถูกล่อสังหารจนสิ้นชีพทุกคนในจวน อ, องต่างก็โยนความผิดมาที่นางรวมถึงหวางเฟยด้วยทั้งที่รู้ว่านางกําลังตั้งครรภ์ได้หกเดือนแต่ยังบังคับให้นางคุกเข่าต่อหน้าป้ายวิญญาณของสิ้นอองหวางเฟยในตาแดงก่ำแทบอยากจะฆ่านางให้ตายเพื่อล้างแค้นให้สามีหากมิใช่เห็นแก่ที่เจ้าอุ้มท้องเลือดเนื้อเชื้อเคือของเซินเ อ, อ๋อข้าไม่มีวันยอมให้เจ้าก้าวเท้าเข้าประตูจวนอองเด็ดขาดเจ้าอย่าคิดว่าเมื่อเข้าจวน อ, องมาแล้ว ความแค้นของสองตระกูลจะมาลายหายไปได้ท่านอองต้องตายก็พระเจ้าครึ่งชีวิตที่เหลือของเจ้าก็จงสำนึกบาปเสียเถิดสำนึกบาปแทนคนในตระกูลของเจ้าไปจนตายประตูใหญ่เบื้องหลังปิดลงอย่างเย็นชายเยี่ยยคุกเข่าอยู่นานถึงสามวันสามคืนเด็กในท้องช่างแข็งแกร่งนักแม้จะลำบากเพียงนี้ก็ยังไม่แทงเมื่อหวนนึกถึงอดีตเยี่ยยาวก็กล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวข้าจะไม่แต่งไม่มีวัน ชาติก่อนนางต้องตายทั้งกลมพระหลิงเซิรนความทุกยากที่พี่สะพายกล่าวมานางล้วนเคยประสบมาแล้วและเข็ดหลับเกินพอมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะเดินซ้ำรอยเดิมที่สะพายตกใจอย่างยิ่งเยี่ยามัาจะเป็นเด็กที่เชื่อฟังมาโดยตลอดการขัดราชาองการจะส่งผลกระทบต่อคนทั้งตระกูลต่อให้ลําบากเพียงใดานางก็จะเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลักแต่การกลับมาครั้งนี้ยี่ย์เยาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนี่เป็นราชาองการพระราชาทานสมรสเจ้าคิดจะขัดราชาองการหรือ เย่เย่าครุ่นคิดข้าทราบดีว่าการขัดราชองการจะทาให้คนทั้งบ้านเดือดร้อนแต่ลินเซอร์ข้าไม่มีวันแต่งด้วยเด็กขาดไม่ว่าจะอย่างไรข้าจะหาทางทําให้ฟาบาดถอนรับสั่งให้ได้ต่อให้ต้องตายก็ตามหัวใจของพี่สะพายกระตุกกูกนางไม่เคยเห็นแววตาที่ไม่เกรงกลัวแม้แต่ความตายเช่นนี้จากเย่ยามาก่อนพูดเรื่องตายเรื่องแกงอะไรกันเพียงเพียง เจ้าวางใจเถิดที่สไปยจะช่วยผู้กับท่านพ่อและพี่ชายของเจ้าเองพวกเราค่อยๆหาทางกันอย่าเอะก็พูดเรื่องตายอย่างไรเสียพี่สไปยก็ยังคงเอนดูเยี่ยเยาว์มารดาของเยี่ยเยาว์เสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กนางจึงไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับมารดาเลยมีเพียงที่สไปยผู้นี้เท่านั้นก่อนแต่งงานคือนางพี่สาวที่เติบโตมาด้วยกันหลังแต่งงานคือพี่สไปยที่รู้ใจและคอยดูแลพี่สไปย์ข้ารักท่านที่สุดเลยท่านแต่งงานใหม่กับข้าเถิด เย่ยาอ้อนวอนพางซุกศีรษะเข้ากับอ้อมกอดของนางที่สะพยถูกนางทาให้หัวเราะออกมาพูดจะเล่เอกอีกแล้วรถม้าหยุดกระทันหันเยี่ยวกับพี่สะพยชะโงกหน้าออกไปดูพร้อมกันเบื้องหน้ามีกลุ่มคนมืดฟ้าโมดินดูเหมือนจะเป็นผู้ประสบภัยนี่คือเส้นทางสายหลักที่จะไปยังจวนกัวกงหากต้องอ้อมไปทางอื่นจะต้องใช้เวลานา น, านมากเมื่อเช้าตอนไปทะเลสาบอิงเย่ทางยังสะดวกอยู่เลยเหตุใดขากลับถึงถูกปิดกั้นเสียแล้ว คนขับรถม้าไปสืบข่าวแล้วกลับมารายงานหุยน้อยคุณหนูซื้อจื่อสั่งให้แจกทานข้าวต้มเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วขอรับรถม้าเกรงว่าจะผ่านไปไม่ได้เย่เยาเลิกคิ้วสูงซื้อจื่อสั่งให้แจกทานข้าวต้มหรือขอรับบ่าวไปสอบถามมาแล้วเป็นคําสั่งของซื้อจือเย่เยาแทบจะกัดฟันกร่อนที่แท้เป็นเขาที่คอยขัดขวางชูชือ้อถึงได้ถูกผู้ประสบภัยขวางทางจนมาที่จวนกัวกงไม่ได้ ส่วนเรื่องเรือสินค้าของชูชือ้อที่ท่าเรือน้ำเขาก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับลินเซิร์ไม่น้อยคิดดูแล้วตั้งแต่ที่ได้ยินเย้ยเยวกับชูชื้อคุยกันที่หอทิงสเสวียเจ้าหน้นก็เริ่มวางแผนการอย่างรัดกุมไร้ช่องโหว่ทั้งจัดแจงเรื่องแจกทานข้าวต้มทั้งวางแผนทำลายเรือสินค้าของชูชื้อแถมยังเข้าวังไปทุนขอราชองค์การพระราชทานสมรสในช่วข้ามคืน